ถ้าเราสำคัญว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเราก็ข้าเวทนาไม่ได้ถ้าเราไม่สำคัญว่าเวทนาเป็นเราเราเป็นเวทนาเราก็ข้ามเวทนาอยู่นักเทนั้นเองนันะชัดไหมล่ะที่นี่เอาปัญญาสู้มันเอาปัญญาสู้มันก็เหมือนก็ได้มันก็เอาทเจิตแบบเ่าก็ก็ได้สู้มันสู้มันทางปัญญาสิมันโยนไปนั้นมันได้อะไรบ้างบอกว่ายอย่างนั้นพี่ ette. มันโยนอะไรไป ใครเป็นผู้วานน่ามันโยนไปก็รเราเป็นผู้ว่ามันโย น, น, โยนไปมันไม่ได้บอกคิอว่าข้าพรเจ้าเป็นผู้โยนไปไหมเราไปสมมุติมันทําไห้ก็บอกเราสินี่นี่เพราะจิตทําอันนั้นปรากฏอยู่ในชั้นนั้นเฉยๆอกอกทาอันั้นปรากฏอยู่ในชั้นนั้นแหะแต่สิ่งที่มันจับโยนไปโยนมาเนี่ยมันเป็นของโยนอยู่ไหมเดีย๋ยวนี่ถ้ามันเป็นของเที่ยงมันก็จงโยนอยู่มันในจกนักรวาลวิญญาณใช่ไหมมันไม่เที่ยงนี่วัน ไม่เทีย่ยงนิวิทแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายในรูปกับรูปนิวิเครื่องหมายในานามกับนามไม่เหมือนกันแต่ก็เกิดดับเหมือนกันไม่เหมือนกันแต่เกิดดับเหมือนกันนัแต่ไม่เหมือนกันก็ตามแต่ว่าเกิดดับเหมือนกันไม่เทีย่ยไม่เทียเท่ยงมันขอละเอียดมากนิวิทย์อันนั้นนิวิทย์นนั้นไปขอละเอียดมากเออบุญในชั้นนี้บุญในชั้นนี้ยังเกิดยังดับอยู่นะเราก็จะพูดจากนันกัเรื่อ ง, ham, องอ ก, กัน บุญละเอียดถึงขนาดนี้แล้วยังเกิดดับเป็นอยู่นะเหตุฉะนั้นพระอรหันต์จึงมาให้ติดอยู่ในบุญไม่ให้ติดอยู่ในบาปด้วย <S <S <ๆ>ถ้าเราสําคัญว่าเราเป็นทุกข์สำคัญว่าทุกข์เป็นเราเราก็ข้ามทุกข์ไม่ได้เอีกเหมือนกันเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีโอเบกขาก็ดีเธอทั้งหลายจงพิจารณ า, าตามเป็นจริงเกิดขึ้นแล้วปรดับไปเหมือนดังหวัวสีนั่นแหละสวรรคมชัฏลา เธอทั้งหลายอยายินดีในเวทนาทั้งปวงเถิดนะเวทนาสุขก็ดีเวทนาทุกข์ก็ดีเวทนาอุเบกขาก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแลแต่สลายดุดดังหัวสีเธอจงรู้ตามเป็นจริงเสียเถิดถ้าเธอรู้ตามเป็นจริงแล้วเธอจะไม่ในสงสัยในเรื่องนั้นว่าเป็นสัตว์เป็นมุขคนตัวตนเราเขาวิญญาณปฏิสนธิของพวกเธอทั้งหลายก็จะไม่ไปติดอยู่ในที่นั้น นั่นแหละเอสวันโตเป็นที่สุดแห่งกองทุกขาา์พระมรราสัตตะดาสอนภาษาดีบทดูใช่ถ้ำ ท, ทุกระขาตาสอนทีคณะอคิเวษชนโคดแต่ภาษาดีบุตร ท, ทํางานพัดอยู่ข้างหลังเอาพระรหันไปกินแล้วแต่ผู้นี้เพียงพระโสดาบันเท่านั้นผู้นี้ผู้นี้เพียงพระโสดาบันเท่านั้นทําแต่ละบทระบาทส่งต่อพระญีพปานหมดทําแต่ละบทระบาดส่งต่อพระญี่ปานหมด มันก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ฟังเช่นพระฟาหยะมารบกวนเพระบรมศาสตาของเราองค์สมเด็จพระบรมศาสตาที่เคารพสูงโปรดชงพระมหากรุณาเทศเอาข่าพระองค์เดี๋ยวนี้โอ้เวลานี้เราเิ็นทวาทอยู่ไม่สมควรสมควรสิบางทีพระบรมศาสตาก็จะทิ้นลมฟานเดี๋ยวนี้ก็อาจได้ บางทีกับผมก็จะทิ้งลงปลานอยู่แล้๋วนี้ก็อาจเป็นได้เหตุนั้นจึงไม่ควรนอนใจเออถ้า พ, พูดเด็ดเดี่ยวอย่างนั้นเราก็จะเทศให้เธอฟังเดี๋ยวนี้เองเป็นได้ศักว่ารู้เป็นได้ศักว่าเห็นเนอครับพอแล้วไปแล้วเพราะเหต ay, ุใดก็เพราะเหตุว่าท่านเคยอบรมมาแต่ชาติพระเจ้ากาัสปะแล้วเคยเก่งทางสมาธิมาแล้วเป็นได้ศักว่ารู้เป็นได้ศักว่าเห็นก็คือไม่ยึดผู้รู้ไม่ยึดผู้เห็นเอง เป็นแต่สักว่รูปเป็นแต่สักก็เห็นจบยงเพียงนั้นไม่ใช่สักไม่ใช่พวกคนเป็นแต่สักว่รูปเป็นแต่สักก็เห็นคือเราไม่มีในผู้รูปผู้รูปไม่มีในในเราเราไม่ไม่ใช่ผู้เห็นผู้เห็นไม่มีในเราก็เป็นแต่สักว่รูปว่าเห็นมันก็จบกันเพียงนั่นแล้วแล้วก็ไม่ต่อไปรักไปชังไปหลงอีกก็รู้เท่าอันนั้นแล้วรู้เท่าเป็นแต่สักว่รูปว่าเห็นแล้วเพราะไม่ยืนยันว่าผู้รูปเป็นเราเราเป็นผู้รู้ไม่รู้ยืนยันว่าผู้เห็นเป็นเราเราเป็นผู้เห็นมันยืนยันอันนี้แล้วมันก็ข้้ามไปออออพแลว ถ้าเราลมว่าศาสตรางา น, นสมาธิมันเป็นของเกิดดับเหมือ น, นกันในเวลาที่เราอยู่ในลมหลายใจเข้าออกเออสมมติว่าพอเราบัญ ญ, ญัติว่าต้นลมมันตายมันเป็นกลางลมแล้วมันเป็นมาพอบัญ ญ, ญัติว่ากลางลมมันตายเป็นท่ายลมแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วอืมพอเราบัญ ญ, ญัติว่าลมหายใจออกมันก็เป็นอดอีต like ไปแล้วพอเราบัญญัติว่าลมหลายใจเข้ามันก็เป็นอดีตไปแล้ว พอเราบัญยัติว่าต้นลมมันก็เป็นอดีตไปแล้วพอเราบัญยัติว่ากลางลมมันก็เป็นอดีตปแล้วพอเราบัญยัติว่าใต้ลมมันก็อดีตอดีตไปแล้เราบัญญัติว่าต้นลมหายใจออกอีกนี่มันต้องอดีตไปแล้ความเกิดขึ้นหาระหว่างไม่ได้ความแปรปรวนหาระหว่างไม่ได้ความดับไปหาระหว่างไม่ได้อันนี้กังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่จนติดกันเป็นพืชหาระหว่างไม่ได้อันไหนละเอียดก็เกิดขึ้นอย่างละเอียด แพรปวนญาละเอียดดับอย่างละเอียดหาหน้าว่างไม่ได้ยิ่งหมุนเร็วเท่าไรก็ยิ่งเกิดขึ้นแพรปวนน่ะดับละเอียดอันหาไม่ได้นัน่นนัน่นนัแต่เราหลอกเราอกเขามา่ะไฟก็เหมือนกันมันเกิดดับเร็วติดกันจนเป็นแสงน่นั่นนั่นฟาดเป็นแสงติดเลยเกิดเร็วดับเร็วเราต้องรู้ตามเป็นจริงยะถาภูตังสัมมัตปัญญายะทัทฟังท่านทั้งหลายต้องรู้ตามเป็นจริงเถิด เมื่อท่านหลาท่านทั้งหลายรู้ตามเป็นจริงแล้วท่านทั้งหลายจะไม่สงสัยในอดีตอนาคตปัจจุบันนั่นเองนั่นนั่ น, น, นให้รู้ตามเป็นจริงไม่ได้เอาความจริงไปพระเนพานด้วยรู้ตามเป็นจริงแล้วปัญหามันก็หมดไปที่มันไม่รู้ตามเป็นจริงนั่นเองปัญหามันจริงไม่หมดนั่นปัญญายะปฏิสุทธิบุคคลจะบอที่สุดก็พระปัญญา ยาโลกัมมิปัโชโตแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะแสงสว่างมันที่มืดมันก็ไปส่วนปัญญามันไปหมดเห็นอ น, นิจจงขณะเกิดเดียวมันก็เห็นโลกแล้วพระโลกแต่มาด้วยอ น, นิจจ์เห็นทะลกุกูเขาด้วยนั่น เห็นทะลุแผ่นดินด้วยเห็นทะลุแผ่นน้ำด้วยเห็นทะลุแผ่นไฟแผ่นลมด้วยดินน้ำไฟลมอยู่แท้มากอันจังใช่ไหมนันสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชาตกามาพรจระหกชั้นพคมโลกได้แก่รูปปฐมจักหกชั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาเป็นสังขารโลกแล้วสังขารโลกแบ่งออกเป็นสองสังขารที่มีใจครองและสังขารที่ไม่มีใจครองสังขารที่ไม่มีใจครองก็คือดินน้ำไฟลมลนร้วนภายนอกสังขารที่ มีใจครองก็คือดินน้ำไฟลมที่มีกิจมีใจปกครองรักษาว่าของปู่ของกาอยู่นี่สังขาราปรมาทุกข์าสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งอนิจจังเป็นทุกอย่างยิ่งทุกขังอ น, นัตตาเป็นทุกอย่างยิ่งอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งมีความหมายอันเดียวกันเมื่อเห็นอันหนึง่งมันก็ชัดหมดเมื่อเห็นอนิจจังอันเดียวก็ทะลุโลกแล้วเมื่อเห็นทุกข์อันเดียวก็ทะลุโลกแล้ว บางท่านก็บอกว่าถ้าพานาดีพอตองไปเห็นนรกสินรกมันอยู่ใต้อานาดอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแล้วทำไมจะไม่เห็นนรกนนก็ยินดีในพระนิพพานสิ่งเดียวคือดับเพลินดับความหลงในวัฏสงสารการท่องเที่ยวในปัญหาไม่มีเพราะได้ชำระสักสางแล้วนั่งอยู่วันังเดียวเห็นโลกแล้วขณะคิดเดียวเห็นโลกแล้ว เห็นอนิจจังคณะที่เดียวเห็นโลกรอบแล้วพราโลกแต่มาด้วยอนิจจังไม่ลงธรรมะเลยนั่นส่วนท่ายเกิดฝ่ายดับก็ไม่ลงธรรมะทวนท่ายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่ลงธรรมาะจริงอยู่ไม่มีกลาวันกลางคืนไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้เห็นไม่ขึ้นอยู่กับท่านผู้ไม่เห็นนักนนั่นนั่ไม่ลงธรรมะเลยเราอย่าไปเอาอัตตาอนัตตาไปทะเลาะกันอัตตาก็เป็นจริงตามอัตตาใช่ไหอนัตตาเป็นจริงตามอนัตตาใะ สมมุติก็เป็นจริงตามสมมุตินะวิมุติก็เป็นจริงตามวิมุตินะยายจะเอาไปทะเลาะกันทําไมเราจรึงเอาอัตตาอนัตตาไปรบ ก, กันก็เพราะเราไม่รู้เท่าอัตตาอนัตตานะอัตตาใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นก็เราอนัตตาใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นในทางปรมัตก็เพราะเราเพราะเรารู้ตามเป็นจริงสมมุติมาจากไหนดั้งเดิมของสมมุติคืออะไรก็คือใจเรานี่เอง สมมุติว่าตาตาเอ๋ยเข้าไปเจ้าจะใส่ชื่อเรือนามให้ท่านหรือให้คุณหรือให้เธอครับครับดีแล้วจะฆ่าจะฆ่าดีแล้วมันก็ไม่ตอบมันก็ไม่ปัดด้วยหูหูให้เธอเป็นหูใชลยเข้าไปเจ้าจะใส่ให้เธอเป็นหูครับครับและมันก็ไม่ปัดอีกและมันก็ไม่วางอุเบกขาอีกและมันก็ไม่เอาเรื่องอีกทีนี้จมูกลิ้นกายข้าไปเจ้ า, าจะใส่ชื่อเรือนามให้เขาก็ไม่เขาก็ไม่ปัดด้วยทีนี้ ก็ไม่เป็นใครใส่ชื่อให้ใจตาก็ไม่ใส่ชื่อเออท่านมาใส่ชื่อข้าพเจ้าว่าเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเนี่ยข้าพเจ้าก็ตอบทินตอบแทนพระเดชพระคุณท่านข้าพเจ้าจะใส่ชื่อให้ท่านได้เป็นใจแค่เออข้าพเจ้าจะเป็นเมืองขึ้นของท่านเขาก็มาบอกเขาก็ไม่ปัดเขาก็ไม่ว่าแต่ใจไม่มีใครใส่ชื่อให้ตนก็ใส่ชื่อตนเอาโขนชั่วหัวตนเองว่าใจใจใจใจใจ ถ้าไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์ใจอยู่นี่แลปัญหาทั้งหลายเกิดขึ้นจากใจเออจะแก้ก็แก้อยู่ที่ใจจะชนะก็ชนะอยู่ที่ใจจะแพ้ก็แพ้อยู่ที่ใจอนุตระสังาโมชนะก็ชนะอยู่ที่นี้จะแพ้ก็แพ้อยู่ที่นี้ ที่อื่นไม่มีพระพุทธศาสนามามันอยากกล้าแพ้ไว้ชนะถ้าชนะกี่เลย ก, ก็ชนะอยู่ที่นี่ถ้าชนะความหลงก็ชนะอยู่ที่นี่ถ้าแพ้ความหลงก็แพ้อยู่ที่เมืองใจนี่เองนี่นั่นนั่นนั่นนั่นนั่น <c oughs> ไปฟ้องเขาว่าตาไปฟ้องเขาว่าหูไปฟ้องเขาว่าจมูกไปฟ้องเขาว่าลิ้นไปฟ้องเขาว่ากายทีนี่ตนไปฟ้องเขาตนหาติดคุก ตนหากเสียเงินแต่เขาก็ไม่รับไม่ปัดนั่นนั่นนั่นนี่อุบายอันหนึ่งมาเขาก็ไม่ยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นตาหูจมูกเล่นกายข้าพเจ้าจะเป็นเมืองขึ้นของใจเขาก็ไม่ว่าเขาก็ไม่ปัดอีกเหมือนกันเมื่อเป็นดังนี้ก็ตนไม่มีใครใส่ชื่อเรือนามให้ก็ใจใจใจใจไม่รู้ว่าไรใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจอันนี้ก็ของปูอันนี้ก็ของกูอันนี้กัของกูของปูของกาไปมาก็ตายเลยนั่นนั่นนั่นนั่นน แก้ที่ใจเพราะเกิดที่ใจปัญหาเกิดที่ใจก็ต้องแก้ที่ใจใจดวงเดียวเที่ยวสงสารอยู่นานเนิ่นชาปัญญากราหันหาต้นเหตุย่นนิเทศเป็นเอกธรรมไม่ล่วงล้ำไปหาทางอื่นไม่ต้องตื่นในการโวหารการใดๆไม่ใช่ตัวตนจะดื้อดันไปได้ทางไหนหายสงสัยว่าไปหรืออยู่ ปัญญาคู่สู้ไว้ความหลงรงภาระสะสางตัวเหตุหมดนิเทศจะกล่าวบรรยัตผู้รู้ชัดก็ต้องเห็นเองคนอื่นเพ่งว่าดีหรือชั่วนั่นเป็นตัวสมบัติโกกาหันมากล่าวเราไว้เพียงนี้พิษหรือถูกถูกไว้แกพระธรรมท่านผู้ร่วงล้าจงให้อภัยท่านผู้ร่วงล้ำจงให้อภัยนะ คนเราถ้าไม่ติดอยู่ในอันหนึ่งสองสามสี่ห้าวันก็ไม่ติดถ้าไม่ติดอยู่ในปัจจุบันอดีตอนาคตมันก็ไม่ติดถ้าหลงปัจจุบันมันก็หลงอดีตหลงอนาคตเหมือนกันถ้าหลงใจมันก็หลงอันอื่นเหมือนกันถ้าไม่หลงใจตอนไหนก็ไม่หลงธรรมตอนนั้นถ้ารู้เท่าใจตอนไหนก็รู้เท่าธรรมตอนนั้นถ้ารู้เท่าใจหมดก็รู้เท่าธรรมหมดถ้าไม่ถือมันในใจก็ไม่ถือพันธสัญใดๆทั้งพวงในโลกนะั้ าานนพูดแต่ตื้นมาหาลึกที่วันนี้พูดจะตื้นมาหาลึกลึกเราลองน้ำเทแรกมันก็ไม่ลึกลงไปเทไรก็ลึกไปเทนั้น่หละนี้อืมความยินดีนะทําชนะความยินดีทั้งปวงเป็นห่วงบุษฎีดาเกรงว่าชาปฏิวัติไม่ชอบทำไมื่อได้หมายห่วงว่าจะไปหาเทศเอาเงินไปให้ถูกไหม ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปิดเผย อ, อยู่แล้วนักธีโรเกและหัวหน้าความรับไม่มีในโลกของยับยับ้าก็เปิดเผย อ, อยู่แล้วเวลาเราเกิดมาเราก็เกิดมาอย่างผึ่งผายไม่ได้เปิดบังเลยไม่น้าซ้ําไปเอาหมอตาแยมาด้วยนะั่เกิดอย่างผึ่งผายเวลาแก่ก็แก่อย่างพึ่งผายแก้ตอบฟันหักผมหงอกก็อย่างพึ่งผายเวลาเก็บก็เก็บอย่างพึ่งผายเข้าไปหาโรงพยาบาลอีกด้วย เวลาตายก็ตายอย่างผึงผายเพราะไม่มีรับในโลกไม่มีสิ่งที่รับทำไมเราเกิดมาจึงร้องให้ทำไมไม่หัวละทำไมไม่ยิ้มมาเพราะมันจะมาสู่สนามทุกข์ของมันมันก็ต้องร้องล้องให้สินั่นมันจะมาสู่สนามทุกข์ของมันนั่นแหละคือทุกเกิดมันออกมาเวลาออกมา พระบรมศาสดาก็บอกว่าเหมือนดึงช่างออกมาที่แคบๆที่พอมาตกถึงฟากถึงเสืออะไรถึงกระดาษเนื้อของมัน อ, อน่ อ, อนๆมันก็ไปถูกกันนั้นมันก็แสบเหมือนหมามุ้ยมันก็ร้องให้ซีนั่นนั่นร้องให้ซีนั่นซิก็ว่าซีก็ว่าเหตุนั่นเห็นคนเกิดไหมพระบรมศาสดาถาม พยาโยมเห็นคนเกิดไหมเห็นเคยพิจารณาอะไรไม่ได้เคยพิจารณาเห็นคนแก่ไหมเห็นพิงารไงไม่ได้พิจารณาอะไรเห็นคนเก็บไหมไม่ไดพิจารณาไหมไม่ได้พิจารณาเห็นคนตายไหมเห็นพิจารณาไงไม่ได้พิจารณาเออถ้าจย่างนั้นโทษของเธอมีทิ้งลงในนรกเลยทีนี้เห็นคนเคยเห็นคนเกิดไหมเห็นไม่ได้พิจารณาไง แลพี่ณาาเกิดมามันจะทุกข์เออข้อใดข้อหนึ่งก็พ้นนรกแล้วไปไปเลยไม่หาครบข้อนี่เป็นบุคลาพิษฐานผู้ชอบเกิดทีผู้ที่ไม่ชอบเกิดที่าวนาพุทโธก็น้อมลงใส่พระนิพานพุทโธไม่พามาเกิดพุทโธไม่พามาแก่พุทโธไม่พามาเก็บพุทโธไม่พามาตาย พุโทโธไม่ให้ยินดีในโรคทั้งภูพุโทโธคําเดียวขยายออกครบแปดหมืนสี่พระธรรมกันนะโมตัวเดียวก็เหมือนกันผู้หวังพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารผู้สร้างมารมีแก่กล้ามาแล้ว<ม>พุโทโธพระเนปทานนะโมน้อมถึงพระเนปทานไตยสนาคมคมจนถึงพระเนปทานน้นอมไปอย่างนั้นผู้หวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติปัจจุบันใชาติกับปัจจุบันในกิจกับปัจจุบันธรรมก็มีความหมายอันเดียวกัน ดูตามเป็นจริงในปัจจุบันปฏิบัติตามเป็นจริงในปัจจุบันลดท้นตามเป็นจริงในปัจจุบันโดยไม่เหลือนั่นปัจจุบันกีจปัจจุบันนายขาต์ผู้ที่ปรารถนาขอให้ข้าร้เจ้าพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารในอนาค ต, ตการนั่นเถิดอันนั่นสร้างวารมียังไม่แก่กล้าเน้เ อ, อสร้าง <laughs> สร้างบาีมาแก่กล้าแล้ว ปัจจุบันนจิตปัจจุบันธรรมในที่หลุดพ้นมาก้กอกไม่เลยเสด็จต้องรู้ตามมันจริงปฏิบัติตามมันจริงหลุดพ้นตามมันจริงโดยสิ้นเชิงไม่มีเชื้อเหลืออยู่ทุกเมื่อผู้นั้นสร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วผู้สร้างบารมียังไม่มาแก่กล้าก็ต้องการมนุษย์สมบัติขวัญสมบัติชมสมบัติเป็นลำบัดเป็นลำดับยุง่งเหยิงก็เพราะบารมียังไม่แ ก, ะกะ่กล้าผู้บารมีแก่กล้ามาแล้วหวังพ้นทุกในปัจจุบันในชาติปัญหาไม่มากถ้าหวังจะปฏิบัติ เอาราบเอายศเอาเสนส่ห์อันนั้นอันนี้อยู่ปัญหามันก็มากที่นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นถ้าเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่แล้วมันก็ดับเพลินในวัฏสงสารอยู่ในตัวเลยไม่ต้องวต้องเห็นภัยในวัฏสงสารอย่าก็ต้องทํากิริยามาดับเพลินในวัฏสงสารอันนั้นมันไม่ถูกนะั่น เมื่อเห็นไาในวัฏฏะสงสารอย่างเต็นที่มันก็ดับเพลินในวัฏฏะสงสารอย่างเต็นที่ไปในตัวแล้วเช่นเราลืมตาอย่างนี้ต้องลืมขึ้นแล้วว่ต้องขับมืดหนีอีกไม่ใช่มันขับมืดไปในตัวมันเลยไม่ต้องทํากิริยาเห็นอมันไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังเรารับเข้าทีนี้กิริยาที่รับกับมืดไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังพร้อมกันเลยกิริยาที่ลืมกับเห็น มันก็ไม่มีอันใดก่อนอันใดหลังปล่อยวางซะปล่อยวางซะเราพูดเป็นสมมติไอ้ทีแท้เมื่อรู้เท่าตอนไหนมันปล่อยวางมันเองนั่นจงทําให้ว่างจงทําให้ว่าเมื่อรู้เท่าแล้วมันว่างเองมันไม่ต้องทํากิริยาให้ว่าเองนะเมื่อไม่เขียนจะทํากิริยาลบยังไงเมื่อไม่ลบเมื่อไม่เขียนจะทํากิริยาลบยังไง เมื่อไม่สาคัญว่าตนได้จะทากิริยาว่าตนเสียทำไมนั่นนั่นนั่นถูกไหมถ้าอย่างนั้นคีวประวัติขององค์หลวงปู่มัน่นมุตโตแทนวับต้นท่สองพันสี่ร้อเาสามท่านแ่งขึ้นเราก็มีที่แซงเหมือนกันเพราะสมัยนั้นเราเพียงห้าพันษาหกพันษาเจ็ดพันษาเท่านั้นเพียงนั้นนับทั้งมหานิกลายเป็นเจ็ดพัษาสมัยนั้น พศ2486เราเราบวชคราวนี้2488เราก็มายัติเสมัยนั้นถ้านับแไปพรรษาธรรมยศก็5พรรษาสมัยนั้นสมัยสวัยพ่อเพลิงหลวงปู่มัน่นที่นี่เขาก็ะแต่งท่านมหาเสียงแต่งหนังสือขึ้นทีว่าประวัติของท่านองค์ไหนก็ตามธรรมะทั้นสุดท้ายเป็นของสําคัญมากธรรมะท่านสูงเป็นของสําคัญมาก ทำชั้นสูงของหลวงปู่มั่นที่กล่าวตู่องค์ท่านว่าถ้าไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ถ้าจะว่าศูนย์ไม่มีค่าก็ไม่ได้ไปบวกตัดหนึ่งก็เป็นสิบสองยี่สิบเป็นจนถึงร100้อยถึงพันศูนย์ก็ต้องมีค่าแต่ไอ้ที่แท้หลวงปู่มั่นไม่ได้เทศอย่างนั้นถ้าสําคัญตัวว่าเสวยเป็นอันผิดทั้งนั้นคําสอนของพระพุทธศาสนาะทีนี้ มุตโตไทยฉบับ น, นั้นไปแต่งอย่างนั้นเป็นมติของท่านอาจารย์มหาเสียงท่านอาจารย์มหาเสียงไม่ได้บัดไม่ไม่ได้มาปฏิบัติดอกทันแต่ว่าอยู่มาอยู่มาเราก็เรียนหนังสือไปหาท่านหลวงปู่มหามองค์หลวงปู่ของพวกเราเทศไม่ได้เทศอย่างนั่นนะในเวลานั้นองค์หลวงปู่มหาก็นั่งอยู่นั้นกระผมก็นั่งอยู่นั้นหลังสันจังหันในยุคบ้านหลวงปู่ท่านมหามท่านมหา ถ้าสําคัญตจอเป็นเฉยเป็นอันผิดทั้งนั้นในเวลานั้นมีสองสามคนท่านั้นท่านเทศจอย่อเราก็อ้างหลวง ป, ปู่มหาใช่ไหมหลวง ป, ปู่มหาเลยแล้วลึกถึงได้แล้วแต่งใหม่ใช่ไหมแต่งหนังสือมตโตไทยใหม่ใช่ไถ้าสำคัญนะไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่ที่ศูนย์ใหม่มีในชีวประวัติเดี๋ยวนี้ไม่มีในมตโตไทยเดี๋ยวนี้เพราะชวัดที่หนึ่นงนแต่งผิดนะ่หลวง ป, ปู่มหาแก้แล้วเดี๋ยวนีย เล็ ก, กบางๆ 2,409.3 ไม่ใช่พิมพ์อยู่ที่สกลนครพิมพ์ในงานศพเลยขั้งที่หนึ่งขั้งที่หนึ่งไม่เห็นแล้วเดี๋ยวเนี้คือขั้งที่สองที่สามที่สี่ลบวัวมหาแก้หมดแล้วอา้าวทีนี้พูดอันนี้ต่อเองถ้าไม่มีที่อยู่ก็ไปอยู่ที่ศูนย์ศูนย์แต่เราก็แยกเหมือนกันถ้าจะว่าศูนย์มันมีค่า ไปบวกกับสองก็เป็นยี่สิบไปบวกกับหนึ่งก็เป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านไปทีนี้เราก็แยกเข้าอีกที่สําคัญว่าศูนย์เป็นของมีค่าก็เพราะไปยึดถือเอาศูนย์เป็นตนตนเป็นศูนย์ก็ไม่ว่าแต่ศูนย์แหละขี้เป็ดขี้ไก่มีเพื่อไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของไปรักของเขาก็เป็นโทษทั้งนั้นเราพูดอย่างนี้ทีนี้แล้วปู่มหาก็เลยแตกใหม่ทีนี้ แลวล่างใหม่เลยถูกไห ม, มที่สมมุติว่าพระบรมสาราไปสวยวิมุติสุขในอัชวารนีโคตรหรือราชายาตนะเนื้อไม่เกศหรือสระมุตจลินแห่งและเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดเจ็ดเป็นสี่สิบเก้าวันนั้นท่านสวยวิมุติสุขพวกเราพูดกันเพื่อให้รู้จักความหมายไอ้ที่แทพ้พระบรมสาราสําคัญตัวว่าสวยอะไรใครจะไปรู้ได้นั่นนั่น ถูกไหมนั่นยกอุทาหรเพียงนิรัชสมาบัติเท่านั้นยังไม่สําคัญตัวแล้วนางธรรมธินนาไปเข้านิรัชสมาบัติผัวของแกชื่อจิตตกากุลนะครับบดีเป็นพระอนาคามีก็ไปถามภรรยาไปถามภรรยาอของนางธรรมธินนาเป็นพระรหัสแล้วเป็นพระรหันสเตวิชโชชะละพินโยอีกเช่นไร ไม่ใช่เป็นพระรามสุขยัยพัตโกเวลาเข้าอยู่ในรถสมาบัตรน น, นางคิดยังไงว่าไม่สำคัญตัวว่าอยู่ในโรถสมาบัดไม่สำคัญตัวว่าอยู่นอกไมโรถสมาบัตรไม่สำคัญตัวว่าเสวยอะไรทั้งสิ้นเข้าไปก็ดับกายสังขารแล้วก็ดับวจีสังขาร แล้วระดับกิจตาสังขารแล้วก็เข้าสู่นิโรธธมาบัตรและไม่สําคัญว่าอยู่ในนิโรธธมาบัตรไม่สําคัญว่าอยู่นอกนิโรธธมาบัตรไม่สําคัญว่าเสวยใดใดทั้งสิ้นนั้นเพียงนิโรธธรมาบัตรนิโรธธรรมาบัตรยังเป็นสังขารอยู่ด้วยหมดกำลังก็ถอนออกมาที่เราไปกล่าวตัวพระบรมศ า, าสดาเส่ว่ายังมุติสุกขก็ผูกสมมติแค่เรารู้ไอ้ที่แค่พระบรมศาสดาสําคัญตัวอยู่ที่ไหนเอมใครจะทราบได้ถูกไหน <l ots> ไ, มไม่เคยได้ยินนะปัญหานี่ไม่เคยได้ยินดอกอืกนอกจากผู้สนใจพ้นทุกข์เราไม่ไม่รู้จักหรอกืกเช่นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันมีผู้พระเจ้าบัตรเฉพวกเดียวเท่านั้นแหละจะเลื่อ ล, ลึกได้หรือไม่เลืลึกได้ก็ตามคุณพระพุธทธพทระธรรมพระสงฆ์ก็เหนือโลกเหนืสงสารเดี๋ยวว่ามีกลางวันกลางคืนแล้วไม่ขึ้นอยู่กับผู้และผู้ไม่รู้เนี่ยมันลึกไหมล่ะเนี่ย ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ลู่แล้วผู้ไม่ลู่มันเล็กไหมเนี่ยนั่นเคยได้ยินไหมล่ะไม่ขึ้นอยู่กับผู้ลแล้วผู้ไม่ลู่ล่ะมันจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแล้วเนี่ยคนเรามันบัดบันหัดเท่าข้างตัวใครมีกิเลสอยู่ในชั้นไหนก็บัญญัดเท่าข้างตัวทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเาเอาหนังสือนั่นมาอีก น, นะไม่เคยได้ได้ท่านผู้ว่า ย, ยังไม่เคยได้เอาใ ห, ให้ให้จุใจแค่วันนี้ออ เออเชฟได้พวกนั <c oughs> ้นไปก่อนเราไม่ได้นังสือเอาหนังสือมาให้เว้ยไปเอาหนังสือออกมาเกบเว้ยเนะครบๆดีมากเราก็ตีค่าลงต่ำและเกินวันนี้เออจะมีผู้มาถามธรรมธรรมสูงไหมเราก็นึกอยู่ก็ตีค่าสังคมต่ำวันนี้เพราะอภัย ทำไม阿าลาบทอุสกดาบดรามาบดภาวนาจนถึงเนวสัญญานาสัญญายะตะนะแล้วเป็นผู้มีความจําก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจําก็ไม่ใช่พิจณาอารมประเจตแล้วเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่บริกรรมยัไม่มีกลางวันกลางคืนแปลเป็นไทยก็บอกว่าเป็นผู้มีความจําก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีความจําก็ไม่ใช่บริกรรมยังไม่มีกลางวันคือตายคากัน แล้วไปตายคากันตาคากันไปเกิดในอารมณ์ระภมเมื่อยุไข่แปดหมื่นสี่พันกับแต่ยังไม่ถึงพระโสดาบันนั่นทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่าไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะเป็นคิดฐิอันหนึ่งอยู่เพราะเป็นคิดถิมาณฑประเภทหนึ่งอยู่ไม่ยอมถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ มีอยู่แต่พระบรมมัสสาสจดด า, ศ า, ศ า, ศาตัดสรุใหม่ๆก็จะไปหาพวกนั่นหละแต่พอไปถึงแล้วก็ม้นะนท่าไปแล้วเจ็ดวันแล้วเสียดายหนอถ้าเรามาทันก็จะได้ถึงพระโสดาวันออกจากนั้นถึงไปหาปัญจวัคคีย์นั่นเองอะนะนะถูกทีนี้ในมหาปรินิพานสูตรที่สุพัทธะ ไปกา Shift, าปราบทูลพระบ ร, รมรศาสดาัตน์สุภะยะนั้นเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นแล้วก็บวชในวันนั้นวันที่พระบ ร, รมศาสดาัตนจะสิ้นพระชนมายุนั่นเองบวชในคืนวันนั่นเองแล้วก็สําเร็จพระอรหันต์ในคืนนั่นเองเรามาเมืองกุชินาราก็เพื่อพระองค์นี้พระบรมศาสดาไว้อย่างนั้นบวชในคืนวันนั่นเองพอสําเร็จพระอรหันต์แล้วก็มากราบทูลพระบ ร, รมศาสีรัตน์ชั้นอื่น ถ้าเขาไม่ประมาทยัญญาวิธีของเขาเขาจะถึงพระสวสดาวันสักคาคามมอนาคามียบ้างาหรือไม่พระเจ้าข้าเออยาเลยอย่าเล ย, ย, เ, ลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมเพราะศาสนาอื่นๆเขาก็เป็นโลกิยาศาสนะเราดีๆนี่เองเมื่อเจ้าของต้นศาสนาเขาเป็นโลกียะเขาจะเอาโลกุตรละมาจากเา่นัยเล่า ศาสนาที่มีพระโสดาพระธรรมโสดาพระทีผลสักคาค่อยมักสักคาคยผลอนาค่อยมักอนาค่อผลอรหัตารักมัอราคต์ผลก็มีแต่ศาสนาพุทธอย่างเดียวผูกขาดอยู่ทุกยุคทุกสมัยของโลกไม่มีในศาสดาอื่นๆเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวหรอกเราพูดตามธรรมมาธิปไตนั่นพระบรมศาสดายกอิทหอนอีกเส้นเส้น พระษาเรบุตรก็พโมคขลาก็ออกหนีจากขนสนชัยนาฏตบุตรมาเรื่มไสภาษาเรบุตรใช่ไหมนั่นนั่นนั่นจึงมาสําเร็จพระโสดาบันในพรในศาสนาพุทธใช่ไหมนั่นหนีจากศาสดาอื่นมาแสีก่อนนั่นมาเรื่มไสพระอาาัสเชก็คือเรื่มไสพระพุทธศาสานานั่นเองจึงสําเร็จพระโสดาบันนั่นมีตัวอย่างแล้วนนันั่น ถ้าไม่มีสาตว์ทำไมจึงมีศาสตราอื่นมาปรชันขันแข่งกันถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้จากว่านักมวยเอกถ้าไม่มีนักมวยโทมาถูกไหมถ้าไม่มีของชั่วมาขัดก็ไม่รู้จากว่าของดีนั่นเราได้พระพุทธศาสนาดีแล้วเราไม่หวั่นไหวไปไหนละ ขอมากายถวายชีวิตต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมือ่อและลึกได้ไม่ลึกได้ก็ดีขอทูลถวายสักคละกายสักคะวายใจว่อ่าสักคนะวายกายสักคนละใจให้เป็นลุงพูลลุงพูดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขี่รถเยี่ยวรถขนน้ำลายคลายน้ำมูใส่ในสักคละกายวายาจใจของข้าพเจ้าทุกขนทุกเห่งทุกวิธีทางทุกเมื่ออยู่ไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุกข์ในว่าจะกรสงสารโดยดว่วนในปัจจุบันชาตินี่เถิด นรกได้ไม่อกได้ก็ดีขอสมาโทษต่อพุทธธรรมสงฆ์โดยกายวายกายไกลอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยโดย่วนในพัจุบในใชาตินี้เถิดนรกได้ไม่ลกไ ด, ไกได้ก็ดีมนุษย์สมบัติมีเท่าใดสวรรค์สมบัติมีเท่าใดพรหมสมบัติมีเท่าใดจะทูลถวายสกุลนักายวายกายไกของขา้าพเจ้าเป็นมหาสมบัติอันนั้น บูชาต่อพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุกข์ในวัจฏะสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี้เถิดปัจจุบันนักจิตปัจจุันนธรรมในที่รดพน้นมากรองไม่ได้เศษเข้าไม่เข้าจงรูร้ตามเป็นจริงปฏิบัติกรรมเป็นจริงลดพ้นตามเป็นจริงอยู่ทุกมา่อไม่มีประมาณเถิดมันก็ลงนี่เองโยนิสีทุกท่านหน้า ขอเป็นมิตรเป็นสหายอยู่ทุกเมื่อขอปฏิจจคุณไทยอยู่ทุกเมื่อขออุทิศกุศลพลบุญให้อยู่ทุกเมื่ออย่าได้มีเวรีภัยแก่กันและกันเลยขอทําวัดต่อพระพุทธธรรมสงค์เนีทั่วทั้งไต่รถกระทาอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเมื่อคนทุกนวตาสงสารโดยด่วนในปัจจุบันชาตินี่ยต้องพลิกจิตพลิกใจไข่อยู่ทุกวันนั่นปัญหาไม่มากลงอย่างนี้นะขออุทิศกุศลพลบุญให้ทั่วทั้งไต่รถกระทาอยู่ทุกเมื่อด้วยขอเป็นมิตรเป็นสหายอยู่ทุกเมื่อด้วย ขอปราชญจากเวียนไทยอยู่ทุกเมื่อด้วยเราทําวัดทั่วทั้งไตยโลกธาตุอีเคียด้วยไม่ได้ทําวัดแต่พระพุทธประทมระสงฆ์เราทําวัดทั่วทั้งไทยโลกธาตุมันไม่ผิดหลอกหรือมันไม่ผิดซี่เพราะเคารพทำจำนงด้วยกิจและตายวาจาเคารพทำเคารพอนัตตาทำอันที่ไม่มีเวีนในภัยเราไม่ได้เคารพกระดูกคนนั้นไม่ได้เคารพกระดูกสัตว์ เขารบธรรมทำอันไม่มีเวรไม่ภัยอนัตตาธรรมที่ไม่มีเวรไม่ภัยนั่นนั่นนั่นนันเราก็ไม่คาเหมือนกันเราเป็นพระเราไปทำวัดทั่วทั้งไต้ลูกาตามันจะไม่ผิดดอกหรือไม่ผิดทีเพราะเราเขารบธรรมอันไม่มีเวรไม่ภัยเหตุฉะนั้นพระบรมศาลาจึงเขารบธรรมไม่สำคัญตัวว่าอยู่เหนือธรรมเลย ถึงจะตัดสู่แล้วก็ไม่สําคัญว่าตอนอยู่เหนือธรรมเขารบธรรมสัทธรรมโอกาตมโบเขารบธรร ม, ม, น, ม, ม, น, มนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่งทางเดียวเลยไม่จะพลิกเห็นไหม <c oughs> ข้ามพระพุทธองค์น า, นานาสังวดนานานิกายมีอยู่เหมือนกันนานาสังวดนานานิกายข้ามพระพุทธองค์ก็มีอยู่เหมือนกันเช่นพระโมกขาลา ถูกโจนฆ่ากนลานสังวัรนานิกยนั่นเองเขาเห็นว่าพระโมกขลานี่ไปเมืองสวรรค์แล้วนําข่าวสารเมืองสวรรค์มาประกาศภาษาคนาช่วยถ้าฆ่าพระโมคกขลาแล้วขนมของพวกเราก็มีมากเดี๋ยวนี่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาแล้วขนมของเราก็ไม่มีราบยศของเราก็เสื่อมมากแล้าไปฆ่าพระโมคกขลานะฆ่าพระโมคขลาแล้วก็ฆ่าภาษาดีบุตรเอกพวกโจนพวกโจนหาร้อย กวางแผนไปฆ่าพระโมกคลาไปค่าข้างที่หนึ่งจ้างพ่อโกนห้ารอยไปฆ่าฆ่าพระโมกคลาไปข้างที่หนึ่งท่านเห็นท่านก็เข้าฌานทะลุออกหนีเลยข้งที่สองว่าทะลุออกหนีจากกุติอีกเลยข้งที่สามมองเห็นว่าบุพกรรมของท่านเคยได้ทําแก่พระมารดามาก็เลยยอมเสียสละทีนี้ แล้วก็เลยประกาศลาพราะบร ม, มศาสดาจะขอเข้าสู่พระนิพพานเพราะมีกรรมแห่งมารดาแต่ชาติฟางขอนมาหลายภพหลายชาติแล้วแล้วก็เถอะเลยกับเหาะนิมิตมาหากุติแล้วก็ยอมให้โจรฆ่าโจรก็ฆ่าตายแต่ว่ามันก็ถูกแต่เรือนล่างเทนตัวของท่านใช่ พอท่านเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็มาถูกแต่ขันห้าสิทีนี่เพราะเกีรของท่านไม่มีในขันห้าก็อุปมาเหมือนกางเกงของเราไปถอดทิ้งไว้มันทิ้งแล้วมันขาดแล้วไปทิ้งไว้ซะจนมันโกรธให้เรามันก็มาเผามันก็มาเผากางเกงเราก็ไม่มาถูกเราสิพอเราทิ้งแล้วฉันัในก็ดีขันห้าเพราะพระอรหันต์ท่านทิ้งแล้วมันก็ไม่ถูกท่านแต่พวกเราเน่มันมีเกเรอยู่มันมาฆ่ามันก็ได้ทั้งหนังทั้งเขาที่นี่มันก็มีมึงเถอะอยู่นั่ทีนี่ ถึงอย่างนั้นพวกโจรก็บาปมากพวกโจรก็ไปไประชุมกันแต่ว่าห่างจากข้ามาแล้วนานเท่าไรไม่ทราบไปไประชุมกันที่โรงอาหารดื่มเหล้าดื่มเหล้ามเมาแล้วก็พวกเราไปฆ่าพระโมกขลาเออสนุกกริงเกง่งพระโมกขลาเนเก่งมากถึงอย่างนั้นก็ทนคอนพวกเราไม่ไหวที่พวกตำรวจเขาจอบ เขาลอบอยู่เขาลอบอยู่เขาก็จับเอาเขาจับเอาจับเอาในทั้งห้าร้อยคนเอามาพระเจ้าพิมพิสารก็ไปฝังไว้ขนาดนี้ว้างขนาดนี้บ้างเอาไถาเหล็กไปไถไถเหล็กมันมีขั้งพุทธการเนอะขั้งนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีแต่ขั้งนี้เนอไถเหล็กขั้งพุทธการก็มีเหมือนกันไถเหล็กไปไถาตายวัดถึงมีปัญหาสอดเข้ามาว่า พระเจ้าพิมพิสารเป็นพระสวัดาบาลแล้วทําไมยังไม่ฆ่าสัตว์มันไม่เพีดหรอกหรือถ้าพระละหันมันก็ถูกประหารชีวิตเขาตั้งกฎหมายไว้แล้วไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารฆ่ากฎหมายฆ่าต่างหากอพราะเจ้าพิมพิสารก็ไม่ก็ไม่เป็นอาบัติก็ไม่เสียเพราะมีเป็นพระสวัสดิบาลแล้วมีชิ้นห้าบริบูรณ์แล้วนักพระเจ้าพิมพิสารมีชิ้นห้าบริบูรณ์กฎหมายฆ่าต่างหาก ไ, หไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารฆ่า มันเป็นครุ ก, กรรมกำหนักแล้วพวกนั้นฆ่าพวกนั้นเองอีกด้วยพรา ก, กรรมของพวกนั้นข ร, กก ร, รุกรรมกำหนักให้ผลทันตาอันนั่นแหล ะ, นะในปัจจุบันในชาติครูคนหนึ่งไปเขี่ยนนักเรียนแล้วก็บอกว่านักเรียนเอ๋ยหยวันเป้าเนี่ะหว่างสิบ ป, ปีหลังมาแล้วเธอเธอขาดโรงเรียนแล้วครูก็จะเขี่ยนเธอสักสองทีเธอจะไปโกรธโกรธให้ให้ครูเนาะ ถ้าเธอไม่ขาดโรงเรียนครูก็จะไม่เครียดแปลว่าเธอเครียดเธอไม่ใช่ครูคุณครูเครียดเธออย่าไปไปโกรธเนอะเด็กนักเรียนก็ฟังใช่ไหครับครับสองข้างไปเธอเครียดเธอไม่ใช่คุณครูเนะคนอื่นเขาไม่ขาดโรงเรียนคุณครูก็ไม่เครียดเนี่ยก็เรียกว่าเธอเครียดเธอเพราะเขาตั้งเขาตั้งกฎไว้แล้วเด็กคนนั่นก็ไม่โกรธพ่อแม่ของเขาเขาไม่โกรธ ด, ด้วย นี่ก็เหมือนกันไม่ใช่พระโมกไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารค่าคนของกรรมพวกนั้นข่าเองนะ <c oughs> ข่าตนเองลหลัมดท่างเสรทั้ ง, ง500ห้ารอคนเพราะภรหัยมันมีฤทธิเดชมากให้ผลทันตาทำให้ผลทันตาภาษาเดบุตรเขาไปเอาภาษาเดบุีกนันทยักเขา้าในรถสมาบัตรอยู่ อ ย, อย่างนี้เกตวั one, นเกิดคืนนวดชมาวาขับชะม่าเกตวันเกิดคืนนั่นไงนันทยักษ์ปตีภาษาเรือบตีหัวภาษาเบือบถอยถอยออกไปดินแผ่นดินสูบเลยนั่น น, นั น, นมันไม่โทษมากนั่นทะลุกรรมกำหนักให้ผลทันตาที่นี่พระโมกคลามันมีอุปกรรมกับมารดา มาแต่พบก่อนชาชาติก่อนคือมารดาเป็นคนตาบอดเอาภรรยาไปเรียกมารดาพระบกคลาแต่ชาตก่อนต้มน้ำไปให้มารดาลูกสะพอ่ะมันทำเย็นเกินไปมารดาก็บอกว่าเออเย็นเกินไปลูกเอ๋ยทีนี้มันก็แก้เอาน้าร้อนไปเออร้อนเกินไปลูกเอ๋ยถ้าอาหารถ้าเป็นอาหารก็จืดบ้างลูกเอ๋ยมันก็แก้เอากลือไปใส่ ฟ้าตาบอดมารดาของคนเพ่เนี่ปฏิบัติยากนักถ้าคนเพ่ไม่เอาไปปล่อยดิฉันก็จะไม่อยู่ด้วยดิฉันจะหนียะไม่อยู่กับคนเพ่พราะปฏิบัติยากเหลือเกินมารดาของคนเพ่เนี่ยสมุขคลาก็พิจารณาเออเทียไปเล่าให้สาวไปฟังเป็นกี่ขั้งก็งไม่ทราบคงจะเป็นขั้งเดียวนะ่คะเออ แคาอย่างนั้นก็นราจะเอามัญญาไป่อยพี่ที่โจรมากๆวันหนึ่งได้โอกาสแล้วเปลี่ยมเกวียนบอกว่าจะพามานาไปเยี่ยมญาติทาง ไ, ไกลมัญญากตาบอกขึ้นขึ้นเกวียนไปสมกุพลาก็ขับเกวียนไปแต่ชาวว่านเขาคงยังไม่ทราบเพราะคงจะไปลวงเขาว่าจะไปเยี่ยมญาติพอไปถึงที่กลางทาง ที่ป่าชัดชื่อมีโจรช่องสูงอยู่เพราะโจรในช่วงพุทธกาลมันก็ไม่ในช่วงโวลอมโบ ร, ราณก็มีเหมือนกันโมกขลาก็หาอุบายแต่ชื่อก่อนของท่านในสมัยท่านชื่ อ, อยังไงไม่ทราบแต่ว่าใส่ชื่อเรานำมาพวกขลาเพื่อให้ฟังง่ายแต่ค่าก่อนท่านใส่ชื่ อ, อยังไงไม่ทราบทีนี้ก็กดโคออกจา ก, กแกนละนจุดนั่นคุณแม่คุณแม่ จะไปทานอุจระสักครู่คุณแม่ก็อยู่ในเกลียงใช่ไี่ครับประมาณอีกสักครู่ในค้อนะครับตพุ่มไม้โปงโปงเปงเปงสารพัดแล้วเวลาพูกก็เอาลิ้นอัดปากพ่อว่าพ่อว่าพ่อว่าหน่ตีตุงมตื้มนิตรีตีตมตูมนตรีมานดาบอกเออโมคะลาเออ เสียงนี่ไม่ใช่เสียงธรรมดาเนอะไปอุจจะระําไมนานมาแท้ทำไมไม่มาหามารดาเดี๋ยวเสียงนี้เป็นเสียงโจ น, น้ำมูกคลาเอา๋ยมาเถิดมาหามารดาเถิดสลดใจโอแม่ของกูกูจะเอามาปล่อยยังล่องหากูอยู่กูไปทำท่าว่าเป็นโจนและเอาลิ้นตัดปากพูเป็นเสียงอื่นไป นึกสะรถใจสังเวชเออกูจะเอากับเปล่ยนคืนไปบ้านไปเปี่ยงคืนไปบ้านคืนมาบ้านคืนมามารดาจะไม่รู้ยี่หนูยี่นี่เลยอะไรจะไม่รู้ยี่หนูยี่นี่เลยถ้าจะไปย่มญากก็ไม่ไปละกลับคืนบ้าน่ะ้โหพูดกับมารดากลับคืนบ้านสักจะว่าคืนบ้านน้อยเหตุอันไหนไม่ไม่ว่าเสร็จแล้วอะไยกลับคืนมาบ้านถ้าจะมีโจรอย่างนี้เราก็ไม่ไปละ พอโจรมาเห็นมันก็คงหนีไปละอะอาจจะแก้โกหกอาจจะแก่โกหกมันดาเพราะวาถึงบ้านเลยนะพอได้โอกาสแล้วก็กคิดปรญญาเราจะให้เธอจะให้เราเอามันดาของเราไปทิ้งเธอไม่เราไม่เอาไปนอะเราทําท่าจะทิ้งมันดาก็ร้องหาเราเราทาท่าเป็นโจรหามันดาเนี่ยมันหายาก หาภรรยารมันหาได้ถ้ามาได้ขนาดเธอแล้วก็เอาต่ํากว่าเธอผู้หญิงมันมีมาอยู่ทุกวันเราจะเอาขนาดไหนก็พอจะได้อยู่เพราะนัินเราก็มีบ้างถ้าเอาขนาดเธอไม่สวยเท่าเธอก็เอาที่โลกว่าเธอก็ได้ให้เราทิ้งบรรดาของเราเราทิ้งไม่ได้แต่ชิปที่หูเมียหูภรรยาเธออยาแกแงนี้ไปไหนก็ไปสะเราให้เราทิ้งบรรดาเราทิ้งไม่ได้ต่อแต่นั่นมา ภรรญาก็ทําดีเลยโทษเท่านั้นแหละตามถึงพระโมคคลาทุกภพทุกชาติเลยตั้งห้าร้อยชาติจึงมาถึงพระพุทธศาสดาของเรานั่นแะถ้าราคามันไปใหญ่กว่านั้นแล้วนี่ไม่ได้ค่าเสียเลยเราไม่มีเลยเราสําหรับเราไม่ได้กินแหงเลยไม่ได้มีเลยกัมนนนมันลาทํามวัดท่านที่รรมวัดนท่านเอรรมวัดท่าน สรมวัตท่านเขาเอาไฟท่านเหตุฉะนัน้นพระบรมาศารดาจึงเอามาเทศมาตาปีตูอุปัฏฐานะผู้อุปัากวิดามานดาเหมือนพระพระอรหันต์ท่านยกโทษให้ใหท่านยกโทษให้ทีนี้พระบรมาศารดาเขาบอกว่าเราเกิดมาพบใดชาติใดเราไม่ได้ทิ้งวิดามารดาเลยทุกพบทุกชาติ ชาติมารดาเป็นคนตาบอดแล้วก็เรื่องจนวันตายชาติที่ไปหาบพื้นขายแล้วก็ขายมาแล้วได้สี่ส่วนส่วนหนึ่งหาพื้นขายหาพื้นขายจะได้มากสักเพียงไหนหาพื้นขายแบ่งไว้ให้เป็นวันๆแบ่งออกเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งเอาไปให้งูเห่าเอาไปให้ภรรยาถ้าไม่ได้มันก็ห่าฟอฟส่วนหนึ่งเอาไป ส่วนหนึ่งเอาไปส่วนหนึ่งเอาไปใส่เอาไปให้ทะเลหลวงคือใส่ปากใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มส่วนหนึ่งเอาไปใช่นี้คือให้มันาดาเวลาส่วนหนึ่งเอาไปฝังไว้ในขุมทรัพคือเอาไปให้ทางในพระพุทธศาสนาตามศีกําลังแบ่ง hmm. อยู่อย่างนั้นอย่างนั้นชาติเป็นนกก็ไม่ได้ทิ้งมันดา่านเป็นชาติเป็นนกแขกเจ้า ไดะห า, หาหลวงข้าวที่ชาวนาที่ตกหล่นอยู่มาให้มานดาวลดากินชาติเป็นควายก็ไม่ได้ทิ้งมันดาเวิดาไปกินอาหารไปหายาย า, ท, า ท, ที่ไหนอางานทีที่ไหนเามาก็กินวนเวียนอยู่มารดาวิดามาใกล้ก็แหนดสัญญาณกินแล้วก็ไปหาที่อื่นอีกเกิดมาพบใดชาติใดไม่ทิ้งเวลามารด า, ดาสักพบสักชาติเลยแม้ชาติเป็นพระธรรมจัพรพุทธเจ้าก็ได้ไปเทศเอาพระมารดา ในขั้นดูสิจนถึงพระโสดาวันส่วนพระพุทธโธธนะนั้นได้เทศจนถึงพระอรหันต์แล้วคนเราอย่าประมาทวิดามาคุณวิดามาเปรียบเหมือนคุณพระอรหันต์ในศาสนาพุทธของเราก็มีคนหนึ่งมีพระองค์หนึ่งบวชมาแล้วเห็นเขาเรียมวิดามาไม่เป็นธรรมท่านก็ไปรเรียงวิดามาท่านได้อาหารมาในบาทของท่าน วันนั้นวันไหนได้น้อยท่านก็ไม่ขันท่านเอาให้มาราวิดามันะรับประทานผ้าผ่อนท่อนสบายท่านได้มาผ้าขาวท่านก็ไปให้วิดามารดาฟื้นไม่มีท่านก็ไปเอาให้เอาฟื้นเป็นไม่ได้ก็เอาฟื้นตายหน้าไม่มีท่านก็ไปช่วงไปตักมาให้ท่านหาแม่ท่านกอดคอเอาหิ้วเอาทิศทั้งหลายเห็นท่านปฏิบัติมาอย่างนั้นนานแล้วก็ไปฟ้องพระบรมศสารศาสานเออพระบรมศสารศาสานรู้จักแล้ว แล้ว่าเออตอนเย็นเราจะตีระกังไอ้ที่แท่พอเ ร, รามาศจารู้จักแล้วตีระกขังมาประชุมพอมาประชุมพระสงฆ์ก็มาประชุมพระโอเธอทําอย่างนั้นจริงไหมจึงพระเจ้าข่าถ้ามันผิดก็จะละถ้ามันถูกก็จะปฏิบัติตามไม่โกหกแท้ท่านผู้มาฟ้องหรอกพระเจ้าข่าถ้ามันถูกก็จะปฏิบัติตามถ้ามันผิดก็จะได้เว่นพระเจ้าข้าไม่ได้โกรธท่าเพราะก็ต้องอยากจะฟังเทศ ก, กันนี่อยู่ว่างเลยนะ จะไม่โกรให้ท่านพุกมาฟ้องหอกนักปราชญ์ถึงแม่เป็นจำเลยก็ไม่น่าเกลียดนั่นนั่นัน่นทีนี้เธอทําอย่างนั้นเธอทําเพื่อประสงค์อะไรประสงค์ทั้งหลายก็คอยฟังอยู่เป็นทีโอแถวนะเก้ากระผมเรียกว่าพระองค์สําเร็จพระบรมชาติลาเป็นผู้ฉลาดเในโลกก็จริงแต่ว่าแต่ว่าเป็นอาการเทหลังมา น, นาของเกา้าเพราะมาสอนเทหลังมา น, นาวิลาของเก้า ทุกทนลํำบากมากนับแต่มีท้องไปรู้จักว่ามีท้องก็ต้องรักษาอาหารไม่ได้กินอาหารตามอําเภอใจเพราะเกรงว่าจะเพี้ยนจะร้อนมากพอท้องโตขึ้นมาไปที่ไหนก็ลํำบากนอนหงายก็ไม่สะดวกนอนตะแคงก็ไม่สะดวกไปถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะก็ไม่สะดวกท้องโตโตบางทีก็คงจะได้คานเสื้ผ้ า, าระวัง้า มากที่สุดส่วนพระเวลานั้นไปหางานทางอื่นก็นึกถึงมารดาอยู่และมารดาเราเมื่อมือท่องโตโตเข้า ก, ก็นึกในใจว่าจะตายในเวลาไหนก็ไม่ทราบเป็นทุกใจอย่างยิ่งพระเจ้าขานึกเห็นย่าน่นี่คุณของท่านมากเหลือเกินเวลาหิ้วนมก็ส่งนมเวลาเราออกมาเวลาท่องโตๆตทีนี่ วิดาก็นึกถึงมารดาเออจะปวดท้องในเวลาไหนไม่ทราบได้นึกถึงเป็นทุกข์จริงจริงมารดานี่นอนหงายก็ไม่สะดวกนอนหงายลูกเดี๋ยวลูกกจะขึ้นข้างบนเวลาเวลาจะคลอดออกก็เอาเชือกเหนี่ยวบิดเบือนเพราะเพราะกระผมเห็นแล้วกระผมเห็นเขาออกกระผมนึกถึงพระคุณท่านเมื่อพูดไปมาก หน้าตาก็ไหลเมื่อเวลาดูไฟก็สารพัดสารพัดทับทุกข์กับลูกลูกร้องให้ก็ให้ด้วยลูกหัวเราะก็หัวเราะด้วยจิตใจอยู่กับลูกเวลาร้องให้คาปากก็เอาให้กินส่งนมส่งข้าวส่งน้มสารพัดกระผมพูดไม่ไหวหรอกเท่านี้ก็พอแล้วพระเจ้าค่า คิดเห็นนึกเห็นคนอย่างนั้นเองในเวลาที่พอคางเป็นตาหนึ่งก็โกกพิษตาหนึ่งก็มองดูลูกมีน้ำํำซ้าเอาหิ้วไว้ทางหนเองมีผู้ช่วยก็คอยังช่วยถ้าไม่ีผู้ช่วยก็สารพัดเวลาที่เดินตามถนนเป็นหรือขนทางเป็นตาหนึ่งก็ดูลูกรถจะเหยียบม้าจะเหยียบโคจะเหยียบสารพัด เวลาทารก็สารพัดขัว่าอันไหนเอาเข้าปากต้องเก็บไว้ถ้ามีคนช่วยก็คอ ย, ยังช่วยถ้ามีคนช่วยยิ่งไปใหญ่เมื่อนึกไปเทไรยิ่งสลดตังเวทเห็นคนอย่างนี้เระพิจาคณาถ้าผิดก็จะยอมปฏิบัติใหม่ถ้าถูกก็จะรักษาไว้พระบรมสารานก็ก้มหนา้นาลงแล้วสาธุสาธุาธทิสุทั้งหลาย จงเอาอย่างอย่างพิสุองน์นี้เถิดผู้ใดประมาทวิดามานาผู้นั้นไม่เจริญเป็นพ่อค้าก็ไม่เจริญเป็นเจ้าเป็นนายก็ไม่เจริญเป็นนักบวชก็ไม่เจริญเป็นคนชั้นไหนๆก็ไม่เจริญคนของวิดามานาเปรียบเหมือนคุณพระหันใครไปกั้มตายทำร้าไม่ได้เหตุนั้นธรรมบทจึงมีเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชะาการจงเลี้ยงท่าน อย่าให้อดระทดใจด้วยพระชนกชนนีมีพระเดชได้พระ เ, ตรเกตเกสามาจนใหญ่อุ้มอุทธรป้อนข้าวเป็นเท่าไรหมายจะได้พึ่งพาธิดาดวงถ้าเราดีมีกิจอุปถัมภ์กุศลล้ำเลิศเท่ากับภูเขาหลวงจะปรากฏยึดยิ่งสิ่งทั้งปวงจนกว่าจะล่วงลุกถึงซึ่งคณะลพาพระบรมศาสน์มีในธรรมะของพระพุทธศาสนาะเหมือนกันได้แก่คนหนึ่ง ลูกไม่เรียกกล่าวคาถาด่าลูกชายในรัชกาลที่หกมีในหนังสือตเวตตะเล็กเล่มสองเรียบบุตรสุดนี่น้อยนักไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณไม่เท่าพ่อนี้มีมากมายได้คํากายย่างย่อมจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเพื่อพ่พานสัตรรว์ร้ายชะวายุนไม่เท่าปัดวัดเวียงไปตามบุญ คงมีคุณกว่าลูกที่ละเลยเช่นเขาพูดเจรจากันเกลื่อนเขาพูดกันเกลื่อนอยู่ว่าลูกเช่นลูกขี่กากูเจ้าข้าเอ๋ยลูกมาขี้กาเป็นลูกแดงๆมันไม่รู้จากคุณพ่อคุณแม่นั่นกล่าวคาถาด่าลูกชายเฮชันมาตาปิตุปัานะมันจึงมีในพุทธศาสนาผู้ใดปฏิบัติมานาเวดาเอตัมมังคนมุตตะนงังนั่นแหละเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลา ย, ยานะ่ะ มันมีในมงคลสูตรเหมือนกันหนักนนหนักหนักนกนก น, นพระพุทธศาสนามีทุกผนทุกแห่งไม่จนมุมเลยไม่เก้อเขินเลยพระพุทธศาสนาถามอันไหนก็ตอบได้ทั้งนั้นนั่นนั่นนั่นพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เป็นคนโง่สอนให้เป็นคนฉลาดใครจะดีเด่นกว่าพระสมมาทุมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่มีหรอกเพราะคมสอนของพระองค์ท่านตรงตืนเป็นอันเดียวกัน ไม่ได้แย่งกันเลยเพราะมันถูกแล้วไม่ได้แย่งไม่ได้แย่งกันไม่ได้ลบล้างพอลอโบของกันกฎหมายของพวกเราลบล้างอยู่ทุกปีจะได้เงินที่ไหนมานั่นนั่นน่นนั่นนั่นถูกไหมนั่นได้ของดีเราไม่เอาพวกเราเอา้าทางวัษษษตถุศาสตร์นะบริบูรณ์ทั้งวัตถุนิยมทั้งอุดมคติด้วย วัดเชตตะวันมหาวิหารอยู่ทางทิศใต้ทิศ ต, ตะวันตกเชียงใต้ของเมืองสาวัถีอาณาถาิื้นที่เกษตรีสร้างขึ้นในป่าเชตตะวันห่างไกลจากเมืองยี่ห้าเส้นห้าร้อยขาธนูขาธนูหนึ่งสี่ศอก5้าร้อยขาธนูก็เท่ากับยี่สิบห้าเส้นกระเป๋าเดียวท่านสร้าง สี่สิบห้าโกดแล้วก็โกดหนึ่งก็มี1ิบล้านกระเป๋าเดียวเะยสร้างวัดมันสี่ิบห้าโกดสิบห้าห้าสิบิบสี่สี่สิบเป็นที่สห้าสี่ร้อยห้าสิบล้านใช่ไหมนั่นแต่พวกเราหาแผ่ฮักขอจะตายเราจะประมาทข้างพุทธการไม่ได้ข้างพุทธการเก่งเหมือนกันกระเป๋าเดียวลย่ะสี่ร้อยห้า สี้าโขดนางวิสาขาทาสร้างทางนี่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยรุปพาะรามของนางวิสาขาไกลยี่สห้าเส้นเหมือนกันนั่นะไกลยี่สห้าเส้นเหมือนกันสร้างถวายยี่สิบเก้าโดนางวิสาขาคนเดียวนั่นะแต่พวกเราเนี่ยเท่านี้พวกเราก็ยังเราประมาข้างพุทธกาลทําไมนั่นละาบข้างพุทธกาลไม่ใช่ของง่ายเนอะ ขาวที่ท่านแสดงยมกปฏิหารที่เขามาถวายผ้ากองหนึ่งเพียงเอวเนี่ยทั่วเลยน่ะ ถ, ะถ้าว่าถ้าแต่ว่าทางสังหายที่ไม่ทรัพย์ก็ไม่เท่าพระพุทธศาสนาะถ้าแต่ว่าสังหาที่ม่ทรัพก็ไม่เท่าพระพุทธศาสนาะอันไหนเป็นเมืองขึ้นพระพุทธศาสนาะหมดเลยในไตโรกทาเนี่ยมันขึ้นอยู่ในตัวมัน เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเป็นไม่เป็นปัญหาเนี่ยมันขึ้นอยู่ในตัวมันแล้วนั่นนั่นนไม่ประมาเลยเต็มใจพูดแล้วเกินพราะนึกเขียนอย่างนั้นยินดีในทำชนะความยินดีทั้งพวงยินดีในพระพุทธศาสนาชนะความยินดีในาศาสนาใดใดทั้งพวงในโลกคณะกี่เดียวยินดีในาศาสนาอื่นๆ ล่าล่านคณะกิจยังไม่เท่ายินดีในศาสนาพุทธคณะกิจเดียวไม่เวลาพูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมพูดตามเป็นจริงของธรรมนัตนัตนนันเอ้าจะตัดป่าออกก็ไม่ได้พระบรมศาสีาเกิดที่ป่าลุมพิเนวันรัสรูปตาบลพุทธคยาไม่มาโพูษฐแสดงธรรมจักรประวัตนาสูตรที่ป่าอิสิปัตนาภเกธายาวันแขวงเมืองพระราณสีแสดงธรรมจักรประวัตนาสูตรก็เหมือนกัน ที่นี่ปรงอายุสังขารอยู่ที่ป่าไม้ไผ่ของพระเจ้าพิณพิสารถวายปร่นี่นพรานที่สารวโนทยานเมืองกุชินาราปัญหาที่หลวงปู่ตอบได้ต้องการต้องการฟังไหมไปไปเอานันคือเอกสารมาหร่อยไปรัสเซลแรด์นี่และเสียสมาสลาชลุ ไ, ไ, ไ, ไ, ไ, ไปง่อยไ ป, ไปเอาเอกสารมา เอกสารมาให้ท่านผู้ว่าฟังคือาอ่านเอกสารแล้วถ้าอ่านเอกสารแล้วก็จะรู้ว่าพระองค์นี้มันบวชมาเพื่ออะไรก็ล่างหมดละพระองค์นี้มันบวชมาเพื่ออะไรมันมีเกจตนายังไงเข้าใจหมดเลยถ้าอ่านเอกสารอันนั้นในโลกนี้ไม่มีใคร จะว่าองค์หลวงปู่จะตอบได้อย่างนั่นหรอกต่อปัญหาปัญหาหนักหน้าสมาทานไม่ถาให้ตัดเนี่ยนั่นนั้นไม่ไผ่นั่งเตาเลยนะไม่ใช่เขา อ, อาภัยนังเตาหรือไม่ใช่เตาบ่บ่เมียต่างๆคนคุยกันกอเนาะเนาะโอ้ค่ายกับนางเตาเข้าใจว่านางเตาสวมสักสีไม่ใช่หรอกเขา อ, อาภัย <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเข้าใจว่านางเตา หน้าดอกตาไม่ใช่รอกเออไม่เสียเที่ยวดอกไม่เสียเที่ยวไม่เสียเที่ยวถ้าอยากจะรู้ประวัติของหลวงปู่ก็เชิญอ่านหนังสือชีวประวัติอ่านทั้งคำนำด้วยเดี๋ยวจะไม่ได้เพ่งโทษถ้าไม่อ่านคำนำเดี๋ยวจะเพ่งโทษอ่านคำนำจนจบเลยตลอดสาย หลวงปู่ทาไมแต่งชีวประวัติของตนได้ถ้าหลวงปู่ไม่แต่งในคราวนี้ก็มีผู้มาอาราธนาแต่งเหตุไหนจึงได้แต่งชีวประวัติขึ้นมันมีมูลเหตุอยู่ที่นั่นหมดแล้วถ้าใครอ่านชีวประวัติของหลวงปู่น้ำตาไม่ไหลไม่มีเลยนี่นี่นี่นี่ี่ ในโลกนี้ไม่มีใครจะว่าพระผีบ้านี่แก้ปัญหาได้ขนาดนั้นหรอกนี่คีขั้งสุดท้ายเนาะอ่านมาฟังอ่านดูดูเออเาะตาดีๆตาดีตาดี ๆ, าด ๆ, าดๆมาอ่านดูสิ <c oughs> มีสมไปเอาไปเท่าไหร่ก็ได้เอาไปเท่าไหร่ก็ได้ ไว้สวัสคลแงกายที่กันนต่งรัชาแต่มพัดกรุเทพมันที่เป็นาระการประหารนะเรื่องกาเรียนนี่ันเรียันโปนุงปูว่าเขารับการตรวอาการทภาเข้ต้องดีใจใจถึงทางชั่วมันก็ชั่วโลกทิศ ใ, ใจทิพทำทิพ แมลงวันมันก็บอกว่าโรคทิพของมันมันก็บอกว่าใจทิพทำทิพของมันแมลงพึ่งมันก็ว่าโรคทิพของมันมันก็บอกว่าใจทิพทำทิพของมันมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันชอบเกสรดอกไม้มันก็ว่าสังคมนิยมของมันชอบอย่างนี้แมลงวันมันก็บอกอย่างนั้นเหมือนกันมันก็บอกว่าสังคมนี้มันชอบของ สังคมนี่มัน น, นิยมของมันชอบอย่างนั้นและ ป, ประชาธิปไตยของมันอย่างนั้นมันก็มีที่อ้างอยู่ทุกท่านทุกคนถูกไหมนั่นะใครอยู่ระดับไหนก็อ่านเอานนเอานั่นมาหัอ้างใช่ไหมพระอรหันต์ท่านก็บอกว่าจําเป็นจริงๆเราไม่มีกิเลสแล้วเราจะไม่ประเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารอีกละนะนะนะใครทําอะไรก็เอาความจําเป็นออกอ้างใช่ไหมนะส่วนผู้มีศีลก็จําเป็นจะได้ถือศีล พวกพวกที่ไม่ถือถีกก็จําเป็นก็จะไม่ได้ถือก็ เ, เอาความจําเป็นมาออกอ้างเหมือนกันใช่ไหมนั่นนั่นนั่นมันก็ถูกของใครของมันเช่นพราเรามศาศาสด า, าว่าให้ขออภัยท่านผู้หญิงให้พูดไหมให้พูดไหมให้พูดไหมให้ปารถบไหมแล้วขออภัยทุกท่านมันมีในพระใจพี่ดอกพ่าเรามศาศาสด า, ศ า, ศา ว่าให้พระภิกษุถินภิกษุถินเป็นต้นมันหยักแต่ไม่เป็นอาบัตเป็นต้นมันหยักถึงอย่างนั้นพระบรมศาสตราก็ดุมันดีสำหรับเธอมันไม่ดีสำหรับนักปราดเธอย่อนองคชาตลงไปในทวาลเบาของมาตุขามเธอย่อนองคชาตลงในหลุมฐานเพลิงและปากงูเห่าดำมันยังดีกว่านั้นทำทั้งหลายที่เราเทศเธอ เพื่อให้เบาราคะเพื่อให้เราเบาโทสะเพื่อให้เบาโมหะเธอกับเอามาบวกกันให้เธอดีขึ้นโมฆะบรดมันดีสำหรับเธอแต่มันไม่ดีสำหรับนักปราชญ์ท่านดาทำไมมันจะเอาคืนได้หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟังในอนาคตนั่หนักนักไม่มีใครใครข้าเอาพูดที่ประชุมดอกล้อปูพูดเลยถ้าอย่างนั้นท่านจาเลิกไปทำไมเราก็พูดอย่างนี้ซิ มีนพะพ่อไตพี่ดอกมันดีสําหรับเธอแต่มันไม่ดีสําหรับนักปาราเมล็ดอังวันมันก็ดีสําหรับมันแต่มันไม่ดีสําหรับแมล็ดพึ่งใช่ไหมนั่นคนเราชอบปาฏิหารก็ผลทองกรรมมันเป็นปาฏิหารอยู่แล้วนกก็เป็นปาฏิหารบินทางอากาศป้ารเราก็เป็นปาฏิหารทางดําดินใช่ไหมปลาอะไร ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ได้บอกว่ามัดฉาสถานังคัดฉามีใช่ไหมสักวนาสถานังคัดฉามี้เราก็ไม่ได้ว่าใช่ไหมมันจะมีปฏิหารอยู่ทุกคนพระละหันมีปฏิหารทั้งไม่มาว่าเกิดแก่แกบตายพระอาณาคามีมีปฏิหารไม่มีราคะไม่มีโทสะพระสวสดาบันมีปฏิหารทั้งไม่สงสัยไม่ถึงสงสัยถือถือศาสตราอื่นไม่สงสัยว่าจะล่วงละเมิดชิ้นท่า เมื่อม่อไม่สงสัยว่าจะร่วงระเบิดทิ้งห้ามันจะหนักใจทาไมพวกเราเนี่ยมันที่มันหนักใจเขามันสงสัยจะร่วงระเมิดถ้ามันไม่ร่วงระเมิดมันจะสงสัยทําไมที่หลวงปู่เป็นโรคหัวใจสู่ผู้หรี่มดมากแต่ก่อนมาได้ห้าปีะักผู้หลี่มาหลวงปู่หลวงปู่ทํายังไงหลวงปู่จึงจะละสู่ผู้หรีได้มันขัดข้องกับโรคหัวใจนะหลวงปู่นะหลวงปู่สู่ผู้หรี่มาเออมันเกิดทีหลังหลวงปู่ละมันได้ แล้หลวกปูจะทํายังไงไม่ไม่จับเข้าปากมันก็หมดกันนี่ละมาได้ห้าปีแล้วมันขึ้นอยู่กับใจใจพอใจมันลได้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับใจถ้าเราสงสัยว่ามันไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ใช่ได้อยากล้วงมือมันนั่นลายเหมือนกันเราไม่สงสัยมันประโยชน์เราวบื่อทิ้งเราก็ไม่เสียดายเอาคืนมาใช่ไหมเราก็ไม่นัดใจใช่ไหมเอาไปแล้วมกปุ้มกัน ถ้าเราเห็นว่ามันจะรวยอยู่มันก็ละไม่ได้ถ้าเราเห็นดิงว่ามันชลิปหายเราก็รู้เได้ใช่ไหมนั่นเรานึกอยากจะไปกราบเรียนสมเด็จพระสังฆราชยู่แต่เราไม่อาจเลือกอยากจะให้ชาวโลกเล่นหยุดเล่นอบายวะมุขอีกเบื่อเละเกิน <c oughs> บื่ออวยะมุขเบื่อเละเกินแต่มันอดไม่ได้พวกมันเห็นโทษมันอดเองมัน ถ้ามันไม่เห็นโทษเราไปบอกมันมันก็ไม่แมลงวั น, ม, นมันกันมึงจะมาตอมไตทำไมเราไปบอกไปเทศเอามันดูหรูอมันมาจับปากเราอีกใช่ไหมพระพ า, า, ามันอยู่ในระดับนั้นอ่า <c oughs> ไปนี่ด้วยด็กคนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณนี้ก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วย ทุกพุทเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์พระธรรมทั้งหลายพระอริยสงฆ์ทั้งหลายอันหาประมาณไม่ได้เทวดาเทวดาพรเอ็นพระผมพระยมพระกาลเจ้โรกวาลทั้งสี่ชั่วทั้งใจโรกธาตุจงบรรดอนดาลให้ประเทศไทยของเราเป็นสุขกริงยิ่งขึ้นไปอยู่ในความสงบรักษามัคคีอยู่ทุกเมื่อเจริญยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบทุกทหณฑ์เธอทั้งทุกทัพระโศทัพระโรคทัพเวรทัพระภัย ถ้าพัฒเนียดกันอะไรอันใดๆอย่าได้มีมาพองพานในประเทศของเราเลยเราเป็นประเทศศาสนาพุทธจงมีความสุขกรเจริญตลอดทั่วทั้งไตรโลกาอยู่ทุกนาทอพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานะ <Yeah. S 1> ยะยัคาวาริวะฮาปุราปริตุเรียนเจ้ากัางเอวามีวายโตตินังเปตารัางอุปกรปติปิจตังปฏิจตงจุมั ง, ง, งคือเมื่สามีามชั พระเพรภูเรนตูสังกปากันโทกนารโสยะธามณิโชติระโสยะธาพระพีติโยวัฒนกันตวสัพสุกโผสัพพโยสัโรโกเวนัสสัตมาเตาวัตจันทรายโยสุขีตีคาโยโกผวะอภิวาธนาสีนิชานิจังวุฒาปัายโนจารโรธรรมาวัตธรรติอายยวันโนสุขังละให้มงคลจักรวานใหญ่ให้พรมงคลจักรวานใหญ่ทั่วใจโลกาตเลย สีนิสติมัติเตชชยสิทธิมาเหติมาหาสนาปริมิตะปุญญาธิการะสักพันธ์การายานิวารณะสมัชชัสสาภกวัโตนาโตสัมมาสัมพุตธะทั่วติลสาวาหะโพธิสารกนานุภาเวนะสีตญานุขยัญชนะนุภาเวนะอัจฉุตระชะตั้งมัชลานุภาเวนะฉับพนานัญญานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปานะมิตานุภาเวนะทัสสะอุปปานะมิตานุภาเวนะทัสสะปรมัตถปานะมิตานุภาเวนะ สีนราสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทธานุภาเวนะพลานุภาเวนะยยยะธรรมานุภาเวนะจตุรสีสีชาสัตม์ธรรขันธานุภาเวนะนัมโรกุตละธรรมานุภาเวนะอัตถังขีกามัคคานุภาเวนะอัตถามาปฏิญานุภาเวนะชาติพินญานุภาเวนะจตุสัจจายานุภาเวนะทัรสะภะระยานุภาเวนะ สัพพนิสตยานาโนภาเวนะเมตตากรุณามุติตาเปขาโนภาเวนะสัพพปริตานภาเวานะะตระตยักรานาโนภาเวนะตุหังสพโลกสโตปะสุกโตนะสภายาสาตีนสันตุสัพันตรายาตินิัสัตนตุสัพ ส, ส, สังกปาตุหังสเมศชันตุเทขาตุยังโหตุชะกวัตเชียสัังชิโกโหตุสปทาอาตาสปัตพตะวะนะภูมิคังคามหาสมุทา อารักษาเทวตาสภาตุมเห็รวัดขั้นตุพระจ้าัพดิ์สมาคาร์ลัมมีสัพพเทวตาพระุทานุภาเวนะสาโสเถพวันตุเตพรจ้ศัพ์มาคาร์ลัมมสัเทวตาพระพทธามานุภาเวนะสชาโสเสรพวันตุเตพระจ้ัพ์สมาคร์ัมมสัเทวตาสภาสร้างคานุภาเวนะสชาโสเถพวันตุเตอยู่ทุกงาไม่มีะมาธิทั้งยืนเดินนั่งนอนรับตื่นทุกงาไม่มีะมาณเลย สัพพทุกสัพพะโ g, สะ JI, สัพพโรคสัพพเวรสัพพะทัยสัพอันตรายใดๆทั้งสิ้นอย่าได้มีมาแ ก, แก่ปวงโลกทั้งสามทุกคนหน้าทั้งทไายโลกาอยู่ทุกมน้าเตืนพุทโธธัมโมส oui, ังโฆนิพพานังให้พรเพื่อพระนิพพานอีกด้วยอ่ะทีนี้ไม่ได้พระไม่ใช่พระชุดเก่าไม่ได้เนออันงงคนจักกวางใหญ่ได้แต่มงคลจักกวางน้อยนั่นเองสัพพะพุทธานุภาเวนะน่ะ มุขคนจกักรวาลไงญ่ถ้าไม่พระไม่ใช่พระชุดเก่าไม่ได้เนอะพระชุดใหม่ทุกวันนีงไม่ได้หรอก <c ười> เดี๋ยวเดี๋ยวออเอไหในมุกเล่มสามไม่นมุกเล่มสามของพระนักคําเอกมันมีอยู่เขามีขายอยู่ถ้าอยากมาอย่างนั้นก็ไปยืมท่านก็ได้นักคําเอกเอาไปดูกันที่ทีแปด เรื่องวิวาาทิกรกันที่วิศก้าเรื่องอาปตาธิกรกันที่สามติดเรื่องอาปัตาธิกรยตลอดถึงนกกะหะตลอดถึงปคหะวิวาาธิกรเป็นเหตุให้เกิดอนุวาาธิกรอนุวาาธิกรเป็นเหตุให้เกิดอาปัตตาทิกรอาปัตาธิกรเป็นเหตุให้เกิดเนกคะหะคือการข่ม คำว่าผมก็หมายความว่าทาโทษตามโทสานุโทษคำว่าปักกะหะก็เรียกว่าให้เกียรติให้ยศตามที่ทำถูกการปกครองถ้าไม่มีนิกกะหะและปักกะหะก็เป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันจำเลยต้องให้การเป็นอย่างดีถ้าจำเลยเป็นผู้ประมาททำให้ร่าเริงเดี๋ยวจะให้การไม่ถูกนะครันพน่น ถ้าจำเลยเป็นผู้โรอดผลก็จำขูถ้าจำเลยเป็นผู้โรอดผลก็จงขู่ึือจำฐานะและคิดที่ทำจงถามถึงชื่อผู้บอกและเหตุที่บอกให้ประกอบกับการและฐานที่ถามปีเดือนเวนวันเวลาถามสาะและคิดที่ทำถามชื่อผู้บอกและเหตุที่บอกประกอบกับการและฐานที่จำเลยจงเป็นผู้ให้การเป็นอย่างดีโจทย์ตั้งเส้นว่า เพื่อจะเป็นประโยชน์ในอนาคตผู้พิจารณาคดีจะเห็นแก่อามิตจงเห็นแกท่ทำวนาจเป็นว่างหน้าพระบรมศาสดาสอนตัชภาปยัิฆิกากรรมกรรมเพิ่มโทษแก่ผู้สุผู้บวฤทิลามกให้ตการกลับไปกลับมาพูดทลาดถลายข้อก็เกลื่อนที่ถูกซักถามพูดมุสาทึงหน้า ปฏิเสธแล้วปฏิญญาปฏิญญาแล้วปฏิเสธอันนี้เพิ่มโทษขึ้นมันมีในพระเวทนายมันกันอุปปาอุ ป, ปาเหตตาแปลว่ากิริยาที่ถอนนําไปสงหมู่นี้พิจานาไม่พอใจจะยกคดีไปหาสองหมู่อื่นนี่เทียบที่ที่เราเรียกว่าอุทธรยุติกานั่นเองนับมันมีอยู่ไม่อยู่ในหนังสือมีอยู่ในพระเวทนัยพิรก จะได้เพิ่มความฉลาดของเราเองมากวิ่งในมุกน้่มสารหรือถ้าใจเียรอกมันจะหายากเอายังไงในมุกเนิ่มสารพอแล้ว <national media> เลือดเยอะรัดรัดขึ้นอย่างเลือดเยอะมาก <S <S ไปอุจจาระก็อบอกขึ้นกุฏิวิหารก็อบอกสักผ้าก็อบอกเธออยากไปขยี้มากถ้าตากแล้วมันแข็งจะทํายังไงพราเรามาศาสนาเออ แล้วก็มาไพระชนะทาอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วมันก็อ่อนเท่านั้นท่านพูดอย่างนั้นบอกมด่ะไปไปห้องถ่ายก็บอกถ้าห้องถ่ายเป็นสาธารณะเธออย่าผุ่นผันเข้าไปเธอจงกระแอมเสียงถ้าพระภิกษุอยู่ข้างในไม่กระแอมเสียงรับเป็นอาบัติทุกขกดถ้าเธอไม่กระแอมเสียงก่อนก็เป็นอาบัติทุกกดเว้นไว้แต่ห้องถ่ายเฉพาะส่วนตัวนะ ภระบรมศาสดาบอกหรือมแฉะนั้นก็ตากผ้าหมาเหตุไว้เธอจงชำระล้างให้สะอาดจงออกมาอย่าทำฝุ่นฝันนักอย่ามีรอยนิ้วเท้าไปที่บนกุฏิวิหารเธอล้างแล้วเธอเช็กให้ดีอย่าให้มีรอยนิ้วเท้าถ้าอย่างนั้นเธอเป็นหนา บ, บัดทุกกฏพระบรมศาสดาเธออย่าไปฉันแงบลิ้นฉันฉันก็บอกเหมือนกันเธออย่าฉันดังชักช ยาฉันดังสุดๆยาฉันเลียมือยาฉันขอดบาดยาฉันเลียมฟีปากเหมือนหมายาทําำเข้าให้ใหญ่นักยาทําให้กุบกระพุ้งแค้มให้ตุยยาฉันทางสะบัดมือพางอย่างนี้ยาฉันปล่อยไม่ได้เข้าตกลงในบาดหรือที่นั้นๆอย่าไปฉันแอบลิ้นอย่าไปฉันดังก๊กๆอย่าไปฉันดังสุดๆอย่าไปฉันเลียมืออย่าไปฉันขอดบาดเป็นคนละข้อละข้อ จะไปฉันอยยังที่ปากอย่ามาอย่าเอามือเพื่อนจับภาชนะน้ำต้องเอามือที่ไม่เพื่อนจับภาชนะน้าอย่าเอาน้าล่างบาดนี่ไม่ได้เข้าเทลงในบ้านนะบอกมดดพระบรมศาสนานามัยก็บอกไม่้จกรรกะเอพราะสนใจเพราะสนใจมันก็ไม่ลืม แต่สองพันสี่ร้ยเก็ดสิบสองเป็นเป็นสามาณีอยู่สามพันษา เนี่ยเป็นพระอยู่พรรษาหนึ่งแนี่ยนะรเล่ากลาชิดขาลาเชิดขามาแต่งงานมาสร้างคารวาสอยู่ประมาณสิบปีก็สองพันสี่รอแปดบหกก็มาบวชอีกภรรยาถึงแก่กรรมแล้วภรรยาถึงแก่กรรมแล้วก็มอบบ้าน มอบไร่นาเลือกสวนให้คุณป้าคุณป้าเป็นหมันไม่มีบุรเป็นหน้าชื่อจะหาบุรมาเลี้ยงก็พอดีเรามีเด็กชายสองคนเราก็ให้ป้ามรดกของภรรยาก็ให้ป้ามรดกของป้าก็มีตามพติกำลังของคนมานอาอนอกก็เลยมาบวชที่เราพิจารณาความายเออถ้าเราจะไป แต่งานเอกพรรยาก็ออกก้อนตายมาด้วยเป็ดไก่ตัวหนึ่งก็ต้องออกก้อนตายมาด้วยพิจณาความายเป็นอารมณ์มีกำลังมากก็เลยตัดสินออกบวชเพราะนักทมตีนั่นสอบได้ในสองพันสี่ร้อเก็สองลยในวัดโพ ธ, ธิสมพรอุรานธานี นักทรตีสอบได้สองครัง้งสอบได้เที่ยมเอกเพราะสมัยนั้นถ้าราชกขาไปสามสี่วันเขาก็ต้องให้เรียนอีกไม่เหมือนทุกวันนี้นักมาบวชครั้งที่สองก็เรียนนักทำโทชสอบแล้เรียนนักทำเอกอีกสอปล่อยสอบปลอ่ อ, ปลอยแล้วก็เลยมายักติกับท่านกับคุณธรรมเจรีสมัยนั้นท่านกับคุณธรรมเจรีเป็นเทพกวี ทำไมเราเป็นสรมเดชท่านเป็นศาสนาเดรกจลบูมพันธโล่ yeah. ทำไมที่มาบวชนี่เป็นธรรมเจดีเป็นเป็นเทพกระบีท่านได้ธรรมเจดีปีที่เราอยู่กับร้องปโผมันอยู่จำพันษาอยู่อรอนสามพันษามาอยู่กับร้องู่มัน่นอีกสี่พันษามีท่านหลวงปู่มหาครอบด้วยหลวงปู่มหาหัวครอบด้วย ออกจากนี่ไปก็ถวายพระเพลิงแล้วก็ไปลกกับล็อกภูเทศพหินหลักปเปองไปภูเก็ตพังงาสามพรนศาแล้วก็ขึ้นมาอยู่อำเภอคำชะอีอีก 4, สี่พรรษาในสมัยล็อกภูมหาเป็นหัวหน้าอยู่นี่ 3, สามพรรษาอยู่บ้านทวยทรา ย, ายอยู่อำเภอคำชะเอีมาอยู่ในที่นี่ก็ขึ้นมาอยู่นี่มัน แต่องพันห้าร้อยบ่าวางไฟ